นันายจ้างทุกคนรวมทั้งรพินไพรวันให้การตรงกันหมดนั่นก็คือต่างคนต่างม้อยหลับไปเมื่อไรไม่รู้สึกตัวภายหลังจากรู้แน่ว่ากองทัพของเจ้าฟูดป่าใบายฉูมหน้าไปทางซากกระทิงที่ยิงลมไว้ไม่มีใครบอกได้ว่าใครหลับก่อนหรือหลับหลังเป็นการเผลอหลับไปในขณะที่นอนกอดปืนสงบคอยฟังเสียงกันอยู่อย่างระมัดระวัง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 ทั้งบุญคำและจันต่างก็ไม่รู้ตัวเช่นกันว่าหลับไปตั้งแต่เมื่อไรทั้งที่อยู่ในระหว่างหน้าที่ทั้งสองพรานต่างถามกันเองวุ่นเอ็งหลับตอนไหนวะไอ้จันบุญคำร้องหน้าตื่นเลิกลักซีดเผือดซึ่งก็เช่นเดียวกับจันผู้ถูกซักถามก็ไม่รู้เหมือนกันสิแล้วนะพี่คำมาหลับตอนไหนจันย้อนถามมาเสียงแห่ๆทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ข้าก็ไม่รู้วย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 ไม่งั้นจะพากันหลับเป็นตายเพิ่งมาตื่นเนาเดี๋ยวนี้ได้ยังไงล่ ะ, ะว่าแต่พวกเราอนะใครเป็นคนแรกที่ตื่นบุญคาเองแหละในายใหญ่ตาพรานเท่าบอกเสียงแห้งสีหน้าของแกปั้นยากที่สุดบุญคานะ่ะลืมตาขึ้นมาเพราะตะวันมันสองหน้าที่แรกน่ะนึกว่าฝันไปลุกขึ้นมานั่งเห็นพวกเรายังนอนหลับกันหมดทุกคนดูมันพิกลอยู่พรานใหญ่ก็นั่งพิงกองสัมภาระหลับแลไปอีกทีไม่เห็นไอ้ผีกองก่อย พอนับจำนวนพวกเราไอ้แง่ายก็ขาดหายไปบุญคำก็ปลุกพรานใหญ่ขึ้นเือนคนแรกผมตื่นก่อนพวกคุณชายไม่เกินสองนาทีเท่านั้นล่ะครับพรานใหญ่กล่าวเสือมาเร็วปรือมันหมายความว่าอย่างไงกันนี่ทำไมพวกเราถึงนอนหลับเป็นตายกันไปอย่างนี้เดี๋ยวสัตว์ประหลาดกับแงซายละ่ะหายไปไหนชัยันร้องอย่างตื่นงงพวกพรานพื้นเมืองพลู ก, กันออกไปกระจายค้นหาร่องรอยรอบๆ บ, บริเวณแคมป์ ในขณะที่รพินกับคณะนายจ้างพุ่งสายตาป ร, ราดเป็นตาเดียวจับไปยังตำแหน่งที่ทุกคนเห็นแง่ทายนั่งประจาที่อยู่ครั้งสุดท้ายยอมพรานปรีเข้าไปยังตาแหน่งนั้นก่อนแล้วคณะพักก็พุ่งตามเข้ามาท่ามกลางความมึนงงทายเหตุการณ์เช่นไรไม่ถูกดูนี่เสียงมาเรียเ อ, อ, อะอะขึ้นทุกคนเหลียวขวักมาก็เห็นหล่อนก้มลงหยิบไรเฟิลจ 60, เวเธอร์บีแม็กนัม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 ช้ยันก็ก้าวสูบไปที่คันธนูพร้อมทั้งกระบอกลูกศรหยิบขึ้นมาสำรวจมันยังอยู่ครบเหมือนเดิมดารินอีกคนหนึ่งที่ก้มลงหยิบถุงย่ามอันเป็นสมบัติส่วนตัวขององครักษ์พิเศษของหล่อนขึ้นมาดูทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นสมบัติของแงซายยังอยู่ครบถ้วนทั้งหาคนมองตาันตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งบางสิ่งบางอย่างแล่นเข้าจับความรู้สึก เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายออกมาได้แน่ละมันตรงกันอย่างเดียวคือสังหนร้ายมีอยู่สองในยะเท่านั้นรพินไพรวันเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบหืดทำลายความเงียบงันของทุกคนที่พากันยืนเป็นท่อนหินอันตรายลึกลับที่เรายังทายไม่ถูกได้เกิดขึ้นกับแง่สายหรือมิฉะนั้นเขาก็ผลัหนีจากเราไปโดยเจตนา ไงไซคงจะไม่คิดหนีหรือพละแยกทางกับเราโดยไม่มีอะไรติดตัวไปเลยแม้กระทั่งปืนหรือสมบัติส่วนตัวของเขาไม่ใช่เหรือคะผู้ที่คลางขึ้นด้วยเสียงกระซิบคือดารินวราริศหน้าหล่อนปราศจากสีเลือดมาเรียตะโกนถามไปยังสั่งปลาพรานของหล่อนซึ่งกำลังก้มก้มเงยเงยอยู่ตามราวปลาคนละด้านกับพรานอื่นทั้งหลายเจ้าตองสูสันหัวโบวกมืออยู่ไปมาแสดงว่ามันไม่ได้ร่องรอยอะไรทั้งสิ้น แขนใหญ่ป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าในตาทั้งคู่รียิบยีลงกว่าสายตาอย่างปราศจักจุดหมายแน่นอนไปรอบๆพวกเราทั้งหมดถูกอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งสะกดให้หลับไหลกันไปหมดและหลับจนเลยเถิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ที่เราเดาไม่ถูกทั้งหลายมันเกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเราหลับกันทั้งหมดนั่นแหละเชดถากล่าวเคร่งเครียดสหายของเขาก็พูดโดยเร็วว่า ทำไมเราจึงยังรอดชีวิตกันอยู่ได้โดยการหลับอย่างลืมตัวเช่นนี้ทำไมเราจึงไม่กลายเป็นกรองกระดูกกันไปหมดโดยกองทัพของเจ้าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่เราจับได้หายไปพร้อมกับคนของเราเพียงคนเดียวมันดิ้นหลุดจากมัดไปได้ยังไงแล้วแง่ท า, ายล่ะหายไปไหนมันจะต้องไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเจตนาของเขาอย่างแน่นอนหลักฐานเห็นได้จากปืนและสิ่งของที่ทิ้งอยู่นี่ ระพินพระรงมายังกองเชือกที่ใช้มัดเจ้าสัตว์ประหลาดซึ่งทิ้งอยู่กับพื้นเขียงข้างไม้ที่ใช้ดามตัวมันอีกครั้งค่อยๆก้มลงหยิบขึ้นมาพิจารณาดูอย่างครุ่นคิดทุกคนตามมาล้อมดูอยู่ด้วยเชือกเป็นปกติเรียบร้อยดีไม่มีรอยขาดเลยครับเขาพูดแผ่วต่ำมองหน้าเชิดทากะชัยยันลักษณะของมันเหมือนได้รับการแก้ให้หลุดจากใครสักคนหนึ่ง ไม่ใช่ตัวของมันเองก็ใครละเป็นคนมาแก้มัดให้มันน่ะดารินถามขึ้นลอยๆอ ย, อย่างรุ่มร้อนพรานใหญ่ยังไม่มีคำตอบใดๆในขณะนั้นนอกจากยืนนิ่งมาเรียก็กล่าวเป็นเชิงยั่งความเห็นทุกคนมาว่าอะลองช่วยกันคิดให้ดีซิไอสัตว์ประหลาดหลุดจักมัดนี่ได้โดยวิธีใดพวกมันย้อนกลับมาแก้เชือกให้ในขณะที่เราหลับไหลกันอยู่ หรือว่าผู้ที่แก้ให้มันคือแง่สายระหว่างเชษฐาชยยันและจอมพรานยังไม่มีใครตัดสินใจลงความเห็นอย่างใดทั้งสิน้นนอกจากช่วยกันมองหาหลักฐานไปตามพื้นซึ่งมันก็ไม่อำนวยผลอะไรขึ้นมาได้พื้นบริเวณนั้นเป็นดินแข็งสลับกับหินอาจมีรอยเท้าจากฝุ่นที่ติดตีนของพรกพวกกันเองที่ย่าไว้สับสนเมื่อคืนมันไม่ช่วยให้แยกแยะออกไปได้ถนัดนะัก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 ดารินร้องลั่นอย่างไม่เห็นด้วยอีกสามคนก็คำโวดคิ้วอย่างคลางแคลงสุดที่จะโปรงใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังค้นหายหเหตุผลกันอยู่นะครับแต่รูปการมันก็ชี้ให้เห็นไปในทำนองนั้นนะ่ะอะแล้วทำไมคุณไม่คิดบ้างละ่ะว่าในบรรดาพวกเราทั้งสิบสองชีวิตนี้เนะี่ยแง่ทรายเป็นคนที่เคราะห์ร้ายที่สุดมันใช้อำนาจอันลึกลับเข้าสกดเราหลับไปหมดแล้วเข้าทาอันตรายแง่ทรายเพียงคนเดียว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 เขาจะต้องถูกเอาตัวไปแต่จะโดยวิธีไหนนะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึง่งมาเรียคานมาอีกคนหนึ่งอย่างแข็งแรงกระจายกันออกตรวจบริเวณในระัศมีรอบๆเธอบางทีเราได้หลักฐานอะไรบ้างก็ได้ชายันออกความเห็นอย่างกระสับกระส่ายเดี๋ยวครับอยเย็นๆครับจอมพลานขัดขึ้นลักษณะของเขาเหมือนจะเข้าฌานเพื่อ อ, อ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วกล่าวต่อมาในน้าเสียงเดิมว่า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 ซึ่งบัตรนี้เหลือไว้แต่เท่าหมดและดุนฟืนที่ถูกไฟกินกุดสั้นพ้นจากบริเวณที่สมไว้เป็นการทางไฟด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครเคยใส่เพิ่มเติมทุกคนเห็นเขาไปนั่งคุกเข่าอยู่ที่ซากไฟกองสุดท้ายทางด้านใต้ของบริเวณแคมป์สีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยใช้ปลายมีดโบวี่คุ้ยเขีย่ยตามกองเท่าอย่างระมัดระวังจึงพากันตามติดเข้าไป มีอะไรผิดปกติเหรอผู้กองชายันถามเสียงสูงย้อมพรานยังไม่ตอบในทันทีนั้นแล้วต่างก็งงกันไปอีกเมื่อเขาค่อยๆชูปลายมีดขึ้นให้ดูมีไท้ขนาดย่อมย่อมเหมือนไถบรรจุเครื่องรางทำด้วยผ้าดิบสีมอโมอันหนึ่งเกี่ยวติดอยู่กับปลายมีดขนาดที่มันถูกยกขึ้นนั้นผงสีดำดำคล้ายคขี้ค้างขาวปนอันเป็นเศษเหลืออยู่ก้นไ้ ค่อยๆร่วงเป็นละองลงมาที่พื้นแลเห็นได้ถนัดได้มาจากไหนนี่เชื้าถามพวดพลาดมาบ้างอย่างมีอะไรสะดุดใจหลือที่จะกล่าวก็จากในกองไฟนี่แหละครับระพินตอบแผ่วเบาตาก็กวาดไปรอบๆ บ, บริเวณซากไฟกองนั้นแล้วก็เงียบกริบไม่ยอมตอบคำถามของข่ันอาณาจ้างที่ถามมาอีกทั้งสิ่ยกมือขึ้นดีดเรียกบุญคากับขยิน ทั้งสองวิ่งตรงเข้ามาโดยเร็วพวกพรานอื่นๆก็พลอยละจากการตรวจหารอยเล่นมาสมทบด้วยอนี่ดูซิผงดำๆในท่าอนนี้เป็นอะไรบุญคำกับขยินเต็มไปด้วยความประหลาดใจในสิ่งที่พรานใหญ่ชี้ให้ดูต่างสุดตัวลงพิจารณาโดยเร็วตาพรานเท่าใช้นิ้วแตะผงนั้นขึ้นมาขยี้ในมือแล้วยกขึ้นดมอย่างระมัดระวังพางพาเงยหน้าพรวดขึ้นอุทานลั่น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 ลองช่วยกันคิดให้รอบครอบหลายๆด้านสิครับจากหลักฐานที่เราค้นพบนี่ไม่มีใครหรอกแง่ทรายแนะ่ของมันชัดเหลือเกินเสียงชยันเกือบเป็นกระสิบถูกแล้วนี่ต้องเป็นการกระทำของแง่ทรายหัวหน้าคณะเอ่ยทำลายความเงียบงันขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแง่ทรายมีเจตนาอะไรล่ะที่ทำเช่นนี้ก็าทาลงไปในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน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 ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่ามีสิ่งใดแฝงอยู่ภายหลังใช้การใคร่ครวนพรานใหญ่กล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาเช่นเดิมแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเราก็เพิ่งจะมารู้กันเดี๋ยวนี้เองว่าเงาทายมียาสะกดซ่อนติดตัวอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้น่าจะสองให้เห็นถึงแผนการบางอย่างอันไม่ซื่อต่อเรานั่นยังไม่เป็นเหตุผลที่จะลงความเห็นได้นะ ดารินขัดขึ้นทันทีไอการที่เพียงแต่คนพบว่าไงทรายมียายสะกดติดตัวอยู่และจะคิดว่าเขามีแผนการอันไม่ซื่อหรือมีเจตนาทุจริตอะไรต่อเรามันยังไม่ได้นะเขาอาจมีติดตัวไว้เพื่อประโยชน์ของคณะเราส่วนรวมก็ได้และที่ไม่ได้บอกให้รู้แต่แรกคุณก็น่าจะเข้าใจนิสัยเขาดีอยู่แล้วนี่ไงทรายเป็นคนซ่อนคมและนิ่งเงียบเสมอเขาจะไม่แสดงหรือปฏิบัติสิ่งใดลงไปเป็นการล่วงหน้า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 รพินอื้นเชษฐาชายันและมาเรียล้วนอยู่ในภาวะสับสนไม่สามารถจะตัดสินใจลงความเห็นยังไงได้ถูกแต่จะยังไงก็ตามทุกคนก็มองเห็นในเหตุผลที่ดารินกล่าวสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างนึงก็คือพวกเราทั้งหมดถูกสะกดให้หลับไปเพื่อให้ผลเพื่อเป็นผลให้เจ้าสัตว์ประหลาดกับงาทรายสูญหายอันตรธานไปอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่ได้รับอันตรายใดๆเลย ในระหว่างที่หลับลืมตัวไม่ได้สติอยู่นั้นนักมานุษยวิทยาสาวกล่าวต่อมาพ่านใหญ่เฉวยไรเฟิลติดมือขึ้นมาพร้อมกับลุกขึ้นยืนกล่าวสั้นๆอ่ะลองแยกกันคน้นรอบๆดีกว่าอย่างฉับพลันทั้ง11อ็คนแยกกันเป็นพวกออกเดินบุกเข้าไปในป่ารอบด้านเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติ ม, ตมอย่างร้อนใจโดยลืมแม้กระทั่งความหิวโหวยกระเพาะร้องอุทธร สำหรับมือแรกของวันชยันคู่ไปกับระพินใบหน้าตัดเนินไปยังทุ่งอันเป็นตำแหน่งที่ซากกระทิงถูกยิงล้มอยู่เชถาบุกตามหลังบุญคำโดยมีน้องสาวร่วมไปด้วยแยกไปทางหุบเขาด้านตะวันตกมาเรียไปกับพรานต่องสู่ของหล่อนอีกด้านหนึง่งส่วนขยินจันเกิดเสยกระจายกันดานหน้าออกไปโดยอิสระเป็นรัศมีวงกลมรอบทิ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 หมออาจตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วทําอะไรขึ้นตามแต่มันจะบงการก็ได้นี่แล้วคุณชายันเชื่อหรือครับสําหรับผมนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยผมเกรงว่าเจงง้าแง่ทายจะเกิดบ้าเพ้อขึ้นโวยตัวเองแล้วทําอะไรพิลึกพิลึกที่เรายังเดาไม่ถูกนี้ออกไปก็ได้แต่เสือนี่มันก่อเรื่องยุ่งขึ้นใช่ไหมนี่ผมยังลึกไม่ออกเลยนะครับว่าเราจะตัดสินใจกันยังไงถ้ายังไม่ได้ร่องรอยหรือค้นตัวหมอเจอ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 ชยันว่าข้าวหน้าเต็มไปด้วยความอึดอัดวิตกกงังวลแต่สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมสังขอนยังไงไม่ถูกนะครับรูปมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจใช่มากกว่านะอ่ะแล้วคุณเข้าใจยังไงละครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องลึกลับที่ยังไม่กล้าพูดอะไรออกไปได้ถ้างเงซ า, ายมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ในการกระทําครั้งนี้โดยไม่มีเจตนาอะไรสักอย่าง ที่กำหนดวางแผนไว้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องเอาปืนประจำมือกับของส่วนตัวไปแต่ผมคิดไปอีกแง่หนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าเงาทซายเอาปืนกับของส่วนตัวของมันไปเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันปรีกตัวแผลหนีจากเราไปตามลำพังและเราก็อาจไม่สนใจอะไรอีกโดยคิดเสว่าเมื่อมันอยากจะแยกไปก็ปล่อยมันไปตามเรื่องโดยวพวกเราก็มุ่งไปตามเส้นทางเดิมของเราแต่การไปในลักษณะตัวเปล่าลึกลับเช่นนี้ ย่อมทิ้งปริศนาให้เราต้องคิดบุกเข้าใจเถอครับว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับแง่ทรายเลยต่อให้มีมีขอให้มีมีดสักเล่มเดียวหรือต่อให้มือเปล่ามันก็ดำรงชีพอยู่ในป่าได้ถ้าเท่ากับสัตว์ป่าตัวหนึ่งครับถ้างั้นก็น่าคิดอย่างคุณว่าเหมือนกันนะอดีตนายทหารปืนใหญ่คลางออกมาโปรดสังเกตให้ดีนะครับ แงซายนะ่ะเป็นคนเชื่อมั่นอยู่ในโชคลางส่วนตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อคราวที่เราตามล่าไอแหว่งเป็นเครื่องีิสูจน์ให้เห็นได้เป็นอย่างดีทั้งๆ ท, ที่มันรู้ทางลับเชื่อมระหว่างป่า น, นอกกับหุบม้าหอนอันเป็นทางผ่านเข้าออกของขลงุ่ยไอแหวนมันก็ยังแกล้งอุบนิ่งไว้ไม่ยอมบอกเราจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายคล้ายๆมันจะเป็นคนกาหนดเวลาให้เราเองว่า เมื่อไหร่จริงจะเป็นเวลาสมควรที่เราจะปรากไอ้แหว่งลงได้มิหนาซ้ํายังผูกเรื่องขู่เราไว้จนพวกเราไม่กล้าไปแตะต้ อ, องกังงาของไอ้แหวง่งภายหลังที่ตายแล้วและพวกเราก็ต้องจำนนต่อคํำขู่ของมันผมบอกตามตรงครับว่าไม่เคยไว้ใจไองแง่ทรายได้สนิทเลยไอคนคนนี้นะมันเป็นคนลึกลับอย่างที่สุดยิงอยู่โดยพื้นฐานร่วม ง, งานเบื้องหน้ามันเป็นคนที่มีความสามารถและเต็มไปด้วยสมรรถภาพที่สุด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 อันเป็นตำแหน่งที่มาเรียยิงกระทิงคว่ำไว้เมื่อเย็นวานและทั้งสองก็มายืนหลีตากันอย่างสยดสยองอยู่เหนือซากกระทิงตัวนั้นซึ่งบัดนี้เหลือเห็นแต่เพียงกองกระดูกขาวโพลนปลาดเกลื่อนทั่วบริเวณไอพวกผีหานั่นมันมาลงกินกระทิงนี่จริงๆอย่างที่พวกเราคาดกันไว้เชียชยันครางโชคของเราแท้ๆล่ะครับที่พวกมันไม่หวนกลับไปแทะกระดูกพวกเรา ีตอนนอนสลบสไลไม่รู้สึกตัวกันอยู่มันอาจอิ่มซะก่อนก็ได้ครับรับพินว่าทันใดนั้นต่างก็แววเสียงกูเรียกจากพักพวกลอยมาจากทางใดดังหนึ่งห่างออกไปทั้งสองเงี่ยหูจับเสียงและมองหน้ากันรู้สึกว่าจะมาจากทางด้านนี้นะครับชยันบุ้ยปากไปทางแคมป์และยังไม่ทันที่พรานใหญ่จะกล่าวเช่นไร ก็ปรากฏเสียงกูตอบโต้กันไปมาจากอีกสองด้านและดูเหมือนจะมีเสียงตะโกนพูดอะไรกันโวกโวกจับความไม่ได้เพราะอยู่ห่างพวกเราคงจะพบอะไรเข้าให้แล้วละครี บ, รบไปเถอะเขาบอกโดยเร็วส ก, กิปหลังชช ย, ยันออกเร่งฝีเท้าย้อนกลับมาทางเดิมพอถึงบริเวณแคมป์ที่พักนอนก็พบกับขยินเกิดเสยและจันเพิ่งจะพลกจากแนวป่า ช้ยันตะโกนถามออกไปพวกนั้นก็ชี้มือไปทางหุบด้านตะวันตกเรียกมาจากทางโน้นครับนายรู้สึกจะเป็นสัางปลากับนายแหม่มครับพวกที่ปลวกมาพบกันจึงสมทบกันตรงลิ้วเข้าไปทันทีพอกล้เข้ามา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 เชื้อถาหันมาเห็นข้าก็ร้องตะโกนออกมาอย่างร้อนรนพ่านใหญ่กระชัยยันกระโดดจากริมฝั่งลงไปยังก้นห้วยที่คนอื่นๆยืนคอยอยู่ก่อนแล้วทลันพรวดเข้าไปพื้นบริเวณก้นห้วยตรงตำแหน่งนั้นนุ่มเพราะใบไม้ที่หลน่นลงมาสมสะสมอยู่หนาน้ำหนักตัวคนที่เหยียบลงไปเท้าจะจมลงไปประมาณคืบเสศจรู้สึกพื้นเบื้องล่างจะแฉะชุ่มและเป็นดินอ่อน ด้วยรอยเท้าคู่หนึง่งถลายลื่นลงมาจากตะลิ่งชันด้านขวาแล้วปรากฏจํำเป็นทางเห็นชัดไปตามลําห้วยนั้นบ่ายขึ้นไปสู่เบื้องสูงพอมองเห็นได้ถนัดรพินไทยวันก็ยืนตาเบิกโพรงจ้องเขมงมันจะเป็นรอยเท้าใครไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากจอมพนเจจนจรแง่าทรายผู้เป็นตัวปิศนาก่อนที่เขาจะกล่าวเช่นไร เชิถาก็สกิดไหลชี้ให้เงยขึ้นไปเหนือสีสะซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับแนวตะลิ่งด้านบนน้ำไหวกิ่งหนึ่งทอดอยู่ที่นั่นเสื้อผ้าสีคล้ำๆชิ้นเท่าฝ่ามือเกีียวติดหนามห้อยอยู่ที่นั่นเมกะสังปาเป็นคนค้นพบแล้วกูเรียกขึ้นผมเข้ามาก่อนหน้าคุณสักษีห้านาทีนี่เองหัวหน้าคณะกระซิบแผ่วต่าทุกคนขณะนี้เงียบกริบสีหน้าบอกความรู้สึกต่างๆกัน มาเรียยืนงอขาข้างหนึ่งยันผนังห่วยไว้สุบุรีอัดควันหนักๆดารินั่งอยู่บนขอนไม้บนฝั่งห้วยด้านขวานอกนั้นกระจายกันอยู่สองฝั่งเต็มไปหมดระหว่างที่ชายยันค่อยๆ ย, ย, ย่างเทา้าตามดูร่องรอยเหล่านั้นพรานใหญ่เหนียวรากไม้ขึ้นฝั่งทางด้านที่เห็นรอยทะไหลลื่นลงมาขึ้นไปตรวจดูรอบๆ บ, บริเวณแล้วปลายลำกล้องไรเฟิลค่อยๆซ อ, อยเศษผ้าที่เกี่ยวติด อยู่กับน้าไวมาพิจารณาชายเสื้อด้านหลังของแง่ทรายครับเขาพึมพำแล้วเม้มริมฝีปากมองลงไปยังมาเรียรอยเท้าย่ำในลำาค้วนี้ไปถึงไหนเรายังไม่ได้ตามดูให้ตลอดหรอกพอพบร่องรอยครั้งแรกก็หยุดรอคุณอยู่นี่แหละเชษฐาเป็นคนตอบแทนขึ้นมานั่นรู้สึกว่าจะเป็นรอยล้มลุกคลุกคลานมาไม่ใช่เหรอร ด, ดูให้ละเอียดสิผู้กอง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 เหนียวกิ่งไม้กิ่งนี้ไว้เพื่อจะหย่อนตัวลงไปแต่กิ่งไม้ทานน้าหนักไม่ได้ก็หักออกเลยเสียหลักลื่นลงไปรอยเท้าที่เห็นย่ำไปน่ะเป็นการเดินไปอย่างทรงตัวได้มั่นคงดีแล้วพอจะกะเวลาได้ไหมว่าผ่านตอนนี้ไปนานสักเท่าไหร่แล้วดารินเ อ, อ่ยขึ้นแหบๆเป็นครั้งแรกรพินหันไปส่งภาษากระสางปลาตรวจที่ยางกิ่งไม้หักแล้วมองไปยังคณะนายจ่า ราวตีสี่เมื่อคืนนี้ก็แปลว่าแง่ทรายเดินไปมืดๆในเวลากลางคืนอย่างนั้นทุกคนเห็นริมฝีปากของจอมพรานเสแยออกในลักษณะแยกเขี้ยวน้อยๆครับภายหลังจากที่เราถูกยาสะกดหลับกันไปหมดแล้วนั่นแหละพร้อมกับกลา่าวเขาก็ไต่ลงไปสู่ก้นห้วยอีกครั้งกลุ่มลงพิจารณาที่บริเวณพื้นอันปรากฏรอยตีนของแง่ทรายอย่างถี่ถ้วน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 เสียงใครคนหนึ่งในกลุ่มพลานพื้นเมืองที่ยืนหน้าซีดกันอยู่ครางออกมาแห็บแห็บเฉิดายกมือขึ้นปาดเหนือบนหน้าผากและททำสัญญาณให้ทุกคนออกติดตามรอยที่เห็นอยู่นั้นคืบหน้าต่อไป รอยเท้านั้นย่ำชัดเจนให้เห็นไประยะหนึ่งพอหักเลี้ยวโคง้งตามแนวห้วยก็มีรอยไตยขึ้นยังตะลิ่งฟาดตรงข้ามในครั้งนี้ร่องรอยของไอผีกองกอยมองเห็นได้ถนัดชัดเจนที่สุดเพราะเป็นดินร่วนของรังปลวกรอยมือตีนของพวกมันแยกออกไปได้ผิดกับรอยมือและเท้าของแง่ทรายซึ่งเหนียวรากไม้ไตขึ้นไปแต่ก็เป็นการยากยิ่งที่จะวินิจฉัยว่า แง่ทรายเดินไปในถ้ำกลางวงรายล้อมเคียงข้างของพวกมันดูว่าพวกมันล่วงหน้านําไปก่อนแล้วแง่ท า, ายเดินตามรอยทีหลังอย่างแน่นอนที่สุดก็คือบ่ายหน้าไปในเส้นทางเดียวกันเพราะตามรอยขึ้นไปด้านบนต่างก็ชะ ง, งักกันไปอีกเพราะรอยเท้าไปสิ้นสุดเอาตรงริมฝั่งที่ไต่ขึ้นมันนั่นเองพื้นแข็งปนกรวดลูกรังเบื้องหน้าเป็นดงใหญ่ของตีนเขาลูกหนึ่งเต็มไปด้วยก้อนหิน เงียบสงสัด <memorable> ปราศจากวีแววของสัตว์ปรสัตหรือแม้แต่มแมลงกระทั่งนกเล็กๆสักตัวเดียวก็ไม่มีเสียงแดดกำลังแรงจัดอากาศก็ทวีความอบอ้าวยนทําให้น้ําค้างระเหยไปหมดยากที่จะสังเกตอะไรได้ทุกคนช่วยกันเดินตรวจไปตามทิศทางต่างๆในละแวกใกล้เคียงใจใหญ่ต่อมา น, ในั้นเองก็ได้ยินเสียงดีด น, ในิ้วเรียกจากพรานใหญ่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 ต่กลั้นเกรียมคู่นั้นรีลงนี่ไม่ใช่รอยถูกเหยียบครับแต่เป็นรอยหักเอาไว้โดยเจตนาเหมือนจะทำเครื่องหมายให้เห็นรู้สึกว่าจะกำหนดทิศทางไว้ให้ซะด้วยเพราะต้นหาขนต้นแรกที่หักพับอยู่นั้นชี้ปลายนำให้มาพบกับต้นที่หักเอาไว้ที่สองต้นนี้พร้อมกับพูดเขาชี้ให้ดูปลายของต้นยาขนที่ถู ก, ถกหักเอ็นชี้ปลายไปทางด้านตะวันตกดูปลายนี่สิครับ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 โดยชีย้ปลายมุ่งเข้าสู่ดงบนเนินเขาด้านตะวันตกใครทําไวน้นี่แงซายละมั้งนี่แปลว่าเขาต้องการให้เราตามไปดารินร้องลั่นพินิจอยู่อึดใจใหญ่จอมพรานก็เม้มริมฝีปากสันหน้าช้าๆถูกแล้วครับนี่เป็นสัญญาณให้เราตามไปแต่ผมไม่คิดว่าแงซายเป็นคนทํานะครับอ่ะถ้าไม่ใช่แงซายแล้วจะเป็นใคร คราวนี้ทั้งสี่ของคณะนายจ้างพูดเร็วปรือขึ้นพร้อมกันไอ้ผีกองกอยครับพรานใหญ่บอกเสียงหนักผีกองกอยพรานใหญ่คิดถูกแล้วนายไอ้ผีกองกอยแน่ที่ทำเครื่องหมายนิวย้ยบุญคารับรองมาอีกคนหนึ่งด้วยเสียงอันเชื่อมั่นแข็งขันดูที่ต้นหญ้าที่มันหักไว้ที่ครับตรงรอยหักนั้นมันเตี้ยห่างจากพื้นคืบเดียวเท่านั้น ถ้าเงาทายเป็นคนหักมันจะต้องสูงกว่าระดับนั้นไอ้ผีกองกอยนะตัวมันต่ำก็เลยหักไว้แค่นั้นเองกิ่งไม้ที่ทำเป็นลูกศร น, นี่ก็เหมือนกันมีรอยกัดขาดออกจากกิ่งใหญ่ไม่มีรอยหักหรือเด็ดเงาทายคงไม่กัดกิ่งไม้แน่แล้วครับพร้อมกับพูดได้หยิบกิ่งไม้อันนั้นขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งไปให้เชฐิฐาซึ่งรับมาดูอย่างอัศจรรย์ใจเม คุณตามมาพบรอยตีนของแง่ทรายแห่งแรกนั่นเข้าได้ยังไง ร, รพินเงยขึ้นไปถามแม่มสาวผู้ยืนงงอยู่สา่งปาสิเป็นคนพบรอยพงไม้เตียเต้ยๆถูกหักไว้ระยะต่ำๆอย่างเดียวกันนี่แหละมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ชายป่าริมแคมป์ของเราทีเดียวครั้งแรกน่นฉันเข้าใจว่าแง่ทรายคงเดินเหยียบหักไว้มันปรากฏให้เห็นเป็นช่วงๆไปจนกระทั่งตามมาพบรอยตีนตรงห้วยนั่น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 กระพินกินอาหารสมองกินอาหารแล้วก็พักสมองสักครู่แล้วค่อยคิดอ่านแล้วกันรูปการมันพิกลยังไงซะละทั้งคณะพระออกจากบริเวณนั้นตัดลำห้วยบายหน้ากลับมายังแคมป์ที่ยังมีสัมภาระเข้าของถูกทิ้งโดยเร็วอาหารมือนั้นเป็นมื้อที่กินกันอย่างประทังชีพจริงๆคือได้อาศัยจากเนื้อกระทิงที่มีสำรองไว้อย่างเดียว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 ซึ่งจะจี้ขัดปัญหามันอยู่ที่ว่าเงซายหายจากพวกเราไปในความหมายเช่นไรกันแน่พัญยาสาวของนักสำรวจผู้วายชนเอ่ยขึ้นอย่างเคร่งครึมถ้าเขาไปโดยเจต น, นาที่จะแยกทางหนีจากเรามันก็หมดปัญหาไปไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นห่วงหรือติดตามให้เสียเวลาแต่ถ้าเขาหายไปอย่างคนที่ตกอยู่ในห่วงอันตรายและเราทอดทิ้งเขา ก็เป็นการใจดำอมัหิดผิดวิสัยเธอพูด ถ, ถูกเมนักมานุษยวิทยาสาวกล่าวสนับสนุนมาด้วยเสียงแผ่วเบาอาการของหล่อนวิตกเป็นทุกข์เห็นชัดมากกว่าคนอื่นๆและฉันก็อยากจะคิดว่าเขาตกอยู่ในห่วงภยัยกำลังรอรับความช่วยเหลือจากเรามากกว่าที่จะคิดหนีแยกทางไปเฉยๆไม่ว่าจะมองกันในด้านไหนเหตุผลข้อไหนก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้เป็นอย่างแรกหรอก แต่อย่าลืมนะผู้ที่วางยาสะกดพวกเรานะคือแง่ทรายนั่นเป็นสิ่งที่ส่อเจตนาให้เห็นชัดอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอถ้าเขาตกอยู่ในห่วงพัยหรือถ้าเขาจากพวกเราไปโดยอาการที่เกิดขึ้นนอกเหนือสํานึกเหตุใดถึงต้องวางยาสะกดเราไว้ด้วยล่ะระหว่างที่แง่ทรายดำเนินการวางยาสะกดเรามันควรจะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เขามีสติสัมปชัญญะโดยครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด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 ที่เราจะต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดตรงไปเดี๋ยวนี้ว่าจะตามหรือไม่ตามอดีตนายทหารปืนใหญ่นำการปรึกษาหารือและโต้แยง้งมาถึงจุดสรุปตามนิสัยของคนใจร้อนและตัดสินใจอย่างรวดเร็วของเขาระพินไพร์วันผู้นั่งนิ่งอยู่ขยับตัวลุกขึ้นทำท่าเหมือนจะเดินหนีไปให้พ้นวงหารือนั้นแต่เชษฐาเรียกไว้สะก่อนด้วยเสียงต่ำๆระพิน เรต้องการเสียงโหวตจากคุณด้วยอีกคนหนึ่งคุณปลีกตัวไม่แสดงความคิดเห็นใดๆไม่ได้นะปรูยย้าผมออกความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับพ่านใหญ่พูดอย่างสําบูรณ์แววตาเยียบเย็นขรึมสงบจนไม่มีใครสามารถอ่านความรู้สึกภายในได้การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้เป็นหน้าที่ของพวกคุณโดยตรงอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของผมคือปฏิบัติตามคําสั่งให้ดีที่สุด นึกแล้วไม่มีผิดว่าจะต้องตอบแบบนี้ดารินพึมพำเมมปากมองดูเขาด้วยสายตาขึ้นๆแล้วถ้าจะให้ทายใจอ่ะคำตอบของคุณก็คือเดินทางต่อไปจอมพรานไม่เอ่ยคำใดทั้งสิน้นเดินล่าไปยังกองสัมภาระที่มีคนของเขานั่งจับกลุ่มกันอยู่เงียบๆทุกคนเป็นห่วงแง่ายเหมือนเธอทั้งนั้นแหละน้อย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 ไม่ช้าก็เร็วค่ะหน้าที่ชี้ขาดของพี่ใหญ่นั่นไม่มีอำนาจอะไรมาขัดดารินพูดแผ่วเครือและผุดลุกขึ้นแต่เขาบอกให้รู้ไว้ด้วยนะถ้าเราพบเห็นแง่ทรายอีกตามที่พี่ใหญ่ว่าก็ต้องนับว่าเป็นโชคแต่ถ้าเราไม่เห็นเขาอีกแล้วมันจะเป็นบาป ท, ที่กินใจพวกเราทุกคนไปตลอดชีวิตล่ะคะ่ะตามจบ หลอนก็สาวเท้าตรงไปยังรบพินผู้ขณะนี้กำลังนั่งคุกเขา่าหรือค้นอะไรอยู่ในย่ามเครื่องหลังของเขามาหยุดยืนหยุดลงหน้าฉันขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะใน พ, นพรานไพรใจอัมไมหิตจอมพรานขมวดคิว้วเงยหน้าขึ้นข้อไหนกันครับที่จะมายินดีกับผมรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่พรานใหญ่ใจอัมไมหิตอย่างผมจะต้องยินดีอีกฝ่ายหนึ่งย้อนถามมาขึ้น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 เห็นจะประสบผลขึ้นมาซะแล้วแล้วมันก็ต้องเป็นไปอย่างที่คุณหญิงอยากจะให้เป็นซะด้วยหมายความว่าไงก็หมายความว่าพวกเราทั้งหมดต้องติดตามแง่สรายโดยไม่มีทางให้เลือกอย่างอื่นทั้งสิ้นผลมันเพิ่งปรากฏดูชัดกันเดี๋ยวนี้เองครับดารินจ้องหน้าเขาคมิงในผู้ได้เข้าใจหน่อยสิหลน ร, ร, ร้องมาริโอปือสีหน้าฉงนเต็มที่ รพินไทรวันกัดกรามแน่นเอตากร้านเกรียมไปกว่าทุกครั้งแล้วก็พูดออกมาห้วนๆ ว, ว่าแผนที่เดินทางหายไปแล้วครับเสียงดารินอุทานอะไรออกมาคำานึงเบิกตากว้างขณะนั้นเองอีกสามคนซึ่งกำลังนั่งอยู่ไม่ห่างนักได้ยินคำพูดของพรานใหญ่อย่างถนัดชัดเจนก็เพ็นพรวดเข้ามาวงไงนะผู้กองชายันร้องลั่นออกมาเกือบเป็นเสียงตะโกน และแทนคำตอบใดๆในขณะนั้นจอมพรานก้มลงกระชากกระเป๋าด้านหน้าของเป้หลังของเขาขึ้นทุกเป็นเป้หลังซึ่งทุกคนเคยเห็นเขาบรรจุแผนที่ต้นฉบับหรืออีกในหนึ่งลายแทงของมังมหานรทาไว้ที่นั่นเปิดออกแบะให้ดูแบบัตรนี้มันว่างเปล่าแผนที่สำคัญฉบับนั้นอันตรทานไปซะแล้วคุณเก็บมันไว้ที่นั่นเหรอ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 ผมรับรองว่าผมจะไม่ทำอะไรแง่ซายเพียงแต่จะไปตามเอาแผนที่ของเราคืนมาเท่านั้นจะเย็นเย็นไว้ระพินอย่าเพิ่งหุนหันหัวหน้าคณะกล่าวอ่อนโยนพร้อมกับยิ้มให้ตบมาเบาๆที่ไหลเราเห็นจะต้องค่อยๆคิดกันอีกครั้งแล้วละ่ะจะรีบร้อนทำอะไรลงไปเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วสมมติว่าเราจะต้องตามแง่ซายเพื่อแผนที่ฉบับนั้นก็คงไม่ใช่ภาระของคุณคนเดียวหรอก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 หามือทั้งสองกว้างออกไปพลางทิ้งลงมาแนบกายอย่างหมดอาลัยตายอยากแล้วเจ้ายัางไงกันดีต่อไปล่ะครับเจ้าแงาทรายตัวดีเนะ่ะมันทำพิษขึ้นอย่างสาหัสเชล่ะคุณมารู้ว่าแผนที่หายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ยกหยกเดี๋ยวนี้เองนะครับผมจะเอามันขึ้นมาดูก็พบว่ามันหายไปแล้วพรานใหญ่ตอบเสียงคุนคุณคุณแน่ใจเหรอ ว่าแง่สายเป็นคนขมโมยแผนที่ไปร0อยเปอร์เซ็นต็มครับยกเว้นแต่ว่าไอ้มือที่รมควันสรบเราเนะ่ไม่ใช่แง่สายโดยมีมืออื่นเข้ามาแทรกซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เราได้วิเคราะห์กันชัดออกไปแล้วนในข้อนั้นแง่สายจะเอาแต่เฉพาะแผนที่ไปทำไมเชิตากล่าวเหมือนจะรำพืนขมวดคิ้วขบคิดอย่างปวดสมองที่สุด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 หลอนถามอย่างเกลี้ยกล่อมจ้องตาวาวไปยังทุกคนแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ระพินผู้รีตาซึมมองอยู่ก่อนแล้วไม่มีใครเอ่ยโต้ตอบหลอนในขณะนั้นหญิงสาวกล่าวด้วยเสียงอันกล้าแข็งต่อไปนี่ฉันบอกตามตรงนะตั้งแต่ร่วมทางกันมาตั้งแต่ฉันเห็นแง่ทายจากแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะฉันมองไม่เห็นวีแววทรยศหักหลัง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 ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของเขาเองหรือด้วยเหตุใดก็ตามเอาละ่ะเอาล่ะแม่คุณอย่าโมโหทุอย่าโมโหโรธาเกลียวกราดไปนักเลยพี่ชายยกมือขึ้นโกถึงยังไงความจำเป็นมันก็บีบบังคับเราใช่แล้วล่ะแล้วเขาก็หันมาทางระพินอ่ะเปลี่ยนแผนเดิมทั้งหมดก่อนตามแง่ทรา ย, ายนั่นคือคำสั่งของหัวหน้าคณะซึ่งเปลี่ยนไป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 สังปลาเข้ามาทำหน้าที่แทนส่วนไรเฟิลจุด460เวทบีอันประจำมือของแง่สายนั้นพ่านใหญ่เป็นคนถือไว้โดยไรเฟิลของเขาเองนั้นสะพายไว้กับไหลถึงอย่างไรพวกท่านก็จะต้องไปเสียงพูดของแง่สายหรือมิฉะนั้นก็เป็นเสียงที่ออกมาจากอำนาจสกดของเจ้าผีกองกอยซึ่งกล่าวไว้เมื่อคืน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 ลายแทงอันเป็นเครื่องนำทางนั่นสิย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและทำให้คณะต้องเปลี่ยนแผนชนิดจากหน้ามือเป็นหลังมือพร้อมกับภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อราตรีที่แล้วมาก็พุดขึ้นในห่วงคิดทั้งๆที่ทุกคนอยากจะลืมซะแต่แรกและไม่ได้เก็บมาไว้ในความสนใจโดยเส้นทางที่ตามไปพบร่องรอยของแง่ทรายเดิมนั้น ขบวนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้เดินล่วงหน้ากันไปก่อนเหลือเข้าอยู่รังท้ายคนเดียวใช้เท้าเคียฝุ่นเข้ามาดับกองไฟที่พวกพรานพื้นเมืองยังดับไว้ไม่สนิท ด, ดีนักป้องกันไม่ให้มันแพร่อ อ, อกไปเกิดเป็นไฟป่าขึ้นสมองวุ่นไปด้วยปัญหาแทบจะระเบิดพอเงยหน้าขึ้นก็พบราชสกุลหนุ่มผู้เป็นนายจ้างยืนมองอยู่เงียบๆประจันอยู่ใกล้ๆเพียงสองต่อสอง นอกนั้นล่วงหน้ากันไปก่อนแล้วระพินอดีต ท, ท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะพูดขึ้นด้วยเสียงกระซิบเบาที่สุดควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันหนักน่วงแล้วส่งมาให้เขาตัวนึ่งมีอะไรหรอครับเมื่อแรกที่รู้ว่าแผนที่หายผมก็หงุดหงิดเดือดดานงแงซายเหมือนคุณนะแต่เดี๋ยวนี้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 แต่เดี๋ยวนี้เกิดสังหรณ์ใจขึ้นมายังไงพิกกลใช่คุณจําได้ไหมแงไทรายเอ่ยเป็นคำพูดลอยๆลักษณะเหมือนคนเพอ้อออกมาเช่นไรคำพูดเหล่านั้นมีคุณกับผมเท่านั้นที่ได้ยินขณะ น, นั้นเป็นเวลาที่น้อยกับคนอื่นๆกําลังยุ่งอยู่กับบาดแผลของไอสัตว์ประหลาดนั่นและมีเราสองคนที่เดินเข้าไปใกล้แง้ทรายผมจาไม่ได้ครับเพราะไม่ได้สนใจ มายาวินมหาคัมภีอุบาทพันธุมวดัดีนางพญาแห่งนครหลับมันไกรบุโรหิตพ่อหมดรายเชษฐาเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาตาทั้งสองรีลกจอมพรานยิ้มแค่งแค่ครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองเมื่อคุณชายพูดซ้ำขึ้นแต่เราไม่มีทางจะเข้าใจอะไรได้เลย กับวลีลอยๆที่แงซายเอ่ยออกมาเช่นนั้นผมเกรงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอะไรก็ตามละ่ะมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหายตัวไปของแงซายในครั้งนี้ตัวการที่ทําให้เรายุ่งในขณะนี้เห็นจะไม่ใช่แงซายใช่ละแต่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาในรูปลึกลับโดยอาศัยแงซายเป็นพาหะเพื่อนโน้มน้าวชักจูงเรา ให้ใบหน้าไปตามจุดประสงค์ที่มันต้องการถูกแล้วแง่ทรายเป็นคนวางยาสะกดพวกเราเป็นคนขมโมยเอาแผนที่สำคัญของเราไปเป็นคนปล่อยไอสัตว์ประหลาดให้หนีรอดจากมือเราแต่ก่อนจะพิสูจน์อะไรได้ชัดมิหนาซ้าจากหลักฐานที่เห็นแง่ทรายยังเดินไปในทิศทางเดียวกับพวกมันคิดดูให้ดีนะราพินจากรอยที่เราค้นพบเหล่านั้นคุณเองก็บอกไม่ใช่เหร ว่าเครื่องหมายชี้ทางคล้ายๆจะบอกให้เราทราบทิศทางไปนั้นไม่ได้เกิดจากมือของแงสายแต่จะต้องเป็นของไอสัตว์ประหลาดนั่นทําไว้เวลังเลและฉุกใจคิดชนิดหนึ่งผ่านแวบไปในดวงตาทั้งคู่ของพรานใหญ่เมื่อได้ยินคำพูดชนิดนั้นของเชษฐาพงกษีสัสะลงครับรอยทางชี้เหล่านั้นไม่ได้เกิดจากมือแงสายแน่นอน อ่ะงั้นคราวนี้มันพอจะเป็นเหตุผลให้เราคิดได้หรือไม่ล่ะว่าพวกมันชักจูงเอาแงยทรายไปในขณะที่แงยทรายไม่รู้สติแล้วก็ทําทางบอกเราไวา้เพื่อให้เราตามไปนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะยืนยันได้ว่าแงยทรายไม่ได้ทําอะไรทั้งหลายแหละด้วยเจตนาของตนเองเลยมันเอาสองสิ่งมาล่อเราให้จําต้องติดตามมันคือแงยทรายและแผนที่ฉบับนั้น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 จอมพรานกระดุกกลิ้นออกมาเลียริมฝีปากอันแห้งผากแล้วก้มหัวลงครับผมจำได้ดีครับน้อยหนีออกจากแคมป์กลางดึกเดินตัดปาไปท่ามกลางความมืดไปนินขึ้นไปอยู่บนต้นตะเคียนสูงลิบมีน้ำซ้ำยังสามารถพูดโต้ตอบกับคุณในภาษาชาวเขาซึ่งน้อยเองไม่เคยพูดได้มาก่อนข บ, บวนการทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของน้อยเองเลยจนนิดเดียว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 ระหว่างที่เร่งเดินเคียงข้างเข้ามาครับผมไปที่นั่นแล้วพบซากกระทิงตัวนั้นไหมพบครับหรือแต่กองกระดูกก็ไม่ผิดอะไรกระซา ก, กวางที่คุณชายยิงไว้เมื่อคืนก่อนนะครับสิงเชิดฐาครางอะไรออกมาคำเนี่ยแล้วไม่ได้เอ่ยอะไรอีกทั้งสองสาวเทาว้ามาทันขบวนลูกหาบขณะที่ทยอยกันข้ามลำห้วยแหง้งและตัดผ่านพวกนั้นขึ้นไปทันกลุ่มของชายยัน มาเรียลดารินซึ่งล่วงหน้าไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วที่ชายเนินเขาซึ่งมีรอยต้นหญ้าค้นและกิ่งไม้หักเหมือนจะชี้บอกทางไวมาเรียซึ่งเกือบจะจัดอยู่ในขั้นพรานอาชีพได้คนหนึ่งชี้ทุกคนดูบริเวณเนินตะพักอันเป็นดินร่วนบนลูกรังตอนหนึ่งห่างจากตำแหน่งที่กิ่งไม้ถูกหักชี้ทิศไวามาประมาณสามสิบเมตรตำแหน่งนั้นมีรอยเท้าของแง่ทรายตะกายไต่ขึ้นไป สังเกตได้จากรอยดินพลิกร่วงลงมายังบริเวณพื้นเบื้องต่ำหากขึ้นตะวันตกเฉียงใต้ตัดเขาลูกนี้หล่อนพูดเบาๆพร้อมกับใช้เท้าเขียให้ดูต้นเสือหมอบริมทางอันมีรอยหักไว้ใกล้กับบริเวณโคนต้นนึงจอมพรานกวาดตาไปรอบๆแล้วเงยขึ้นไปยังขุนเขาใหญ่อันเห็นเป็นช่อชันสูงทะมึนเยี่ยมฟาโดยค่อยๆซ้อนขึ้นไป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 แล้วหันไปจ้องตาคณะนายจ่าทุกคนอยู่ในอาการเงียบขึมแต่ก็ปราศจากแววย่อเทาะพรั่นพรึงความกล้านต่อเหตุการณ์มันหลอมท่าทรหดบึกบึนระหนึ่งเหล็กเพชรให้กับจิตใจของแต่ละคนไว้เต็มเปี่ยมแล้วอนาคตไม่มีใครคำนึงถึงพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามและปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นทุกขณะจิต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 เพราะฉะนั้นบดเตรียมกายเตรียมใจไว้ให้พร้อมด้วยนี่เป็นการเสี่ยงยิ่งกว่าทุกครั้งไม่มีอะไรจะเสี่ยงยิ่งกว่าที่เราเสี่ยงมาแล้วหรอกผู้เอ่ยตอบคําเขาคือน้องสาวใจเด็ดเกินตัวของนายจักรอมพรานหันไปมองหน้าพร้อมกับก้มศีรษะให้นิดนึงอย่างคาราวะผมขอคำนับให้กัน้ําใจอันยิ่งใหญ่ของคุณหญิงดารินและพวกเราทุกคนครับ เมือ่อใดก็เมื่อนั้นผู้กองไม่ต้องกังวลถึงพวกเราหรอกชีวิตของพวกเราทั้งหมดล้อมกันเข้าเป็นชีวิตเดียวมานานละตายก็ตายด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันร้อยป่าพันดงหมื่นเขาแสนห้วยถ้าลมหายใจเรายังมีเราจะบุกบั่นกันไปอดีตนายทหารปืนใหญ่นักผจนภัยจากเมืองหลวงซึ่งบัตรนี้สาบของป่า เขายอมจิตใจจนเข้มแข็งเปรอะออกมาบอกมายิมยิมทังตบฝ่ามือหนักๆไปที่ตะโพกกลมอวบอัดของมาเรียผู้ยืนมือหนึ่งจับไรเฟิลพาดบ่าอีกมือหนึ่งเท้าเอวด้วยอาการสัพพยอกยาวย่างถือวิสาสะอันสนิทจริงไหมเมแม่น้องสาวสาวผมทองหันไปยิ้มกว้างตาสีเขียวเบลอขึ้นนิดนึงย่างทึ่ง ในอาการยาวอย่างกล้กลาๆหำหำของสหายชายผู้ไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนจริงพี่ชายแต่มือของคุณนหนักหน่วงดีเหลือเกินฉันชัดจะติดใจซะแล้วสิล้นตอบมาอย่างแกล้วกล้าท้าทายพอกัดชยันเกือบจะสะดุง้งแล้วหัวเราะลั่นออกมาแก้เกอเช่ฐท้ากระพินเพียงแต่ยิ้มดารินชำเรืองมองดูเพื่อนชายอย่าง ข, งขวางๆแล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ เมื่อนึกถึงว่าช้ ย, ยันนมักชอบสร้างอารมณ์สนุกแบบแปลกๆอยู่เสมอเมื่อบรรยากาศเข้าสู่จุดวิกฤตแต่เล่นกับใครไม่ เ, เล่นไปเล่นกับแม่สาวอารมณ์เปรย์แต่เดี๋ยวก็ป่าถล่มเท่านั้นหล่อนพูดอยู่ในใจและมาเรียก็มองไปทางเชิฐ้าสีหน้าเกรงเกรงขอโทษนะครับพี่ใหญ่ฉันล้อช้ ย, ยันเล่นเท่านั้นผมชอบให้พวกเรามีอารมณ์คลึกครืนเช่นนี้นะ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 รพินแหงมองดูทองฟ้าแล้วนำคณะทั้งหมดไต่ขึ้นเนินเขาตามรอยที่พอจะสังเกตเห็นได้อย่างขาดขาดหายหายเป็นรอยนั้นผ่านขึ้นไปเป็นลำดับตามขอบไหลอันเป็นตายางและเสหลวที่ขึ้นปะปนอยู่ห่างๆสลับไปกับพงหญ้าและโขดหินลูกโตๆโทตองฟ้าเบื้องบนมืดครึ้มอยู่เช่นนั้น แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกอย่างที่คิดไว้ชั่วโมงเต็มเต็มที่ไต่กันไปตามทางเดินของเลียงขาร่องรอยของแง่ทรายไม่ปรากฏให้เห็นชัดนักคงพบแต่รอยชี้ทางบอกของเจ้าผีกองก่อยซึ่งทำไวจากกิ่งไม้หรือต้นหญ้าเล็กๆซึ่งแทบจะสังเกตไม่เห็นนอกจากจะจับเครดได้มา ก, ก่อนและพยายามแสวงหาพอขึ้นถึงสันเขา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 ขณะนั้นอนดีตนายทหารปืนใหญ่ยืนเด่นอยู่บนปลายยอดของเขาโขดหินสูงตอนหนึ่งหัวหน้าคณะไต่ตามขึ้นไปเพื่อนของเขาก็ส่งกล้องให้ดูทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่สิข้ามเขาก็เห็นเป็นทิวต่าลงไปเบื้องล่างเน่ะสามยอดเรียงกันรู้สึกว่าจะเป็นทุ่งโลกมันจะเป็นทุ่งมรณะเขตติดต่อกันนรกดําที่รพินบอกไว้แต่แรกหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ เชิดฐาสองกล้องตามคำชี้บอกนั้นอยู่ครู่หนึ่งก็แม้มริมฝีปากตะโกนเรียกพรานใหญ่เบาๆกระพินกำลังก้มๆเงยๆอยู่กระเชิงหน้าผาชันด้านหนึ่งกระโดดเหยียบแง่โคดหินเข้ามานั่นรู้สึกว่าจะเป็นทุ่งราบนะทุ่งเดียวกันหรือเปล่ากับที่เราต้องผ่านไปตามแผนเดิมนะ่ะ กมพรานรับกล้องมาส่องแล้วแงนดูท้องฟ้าหาทิศอยู่ครูก็บอกอย่างระมัดระวังว่าเอรู้สึกว่าจะเป็นอาณาเขตของทุ่งมรณะอันเดียวกันนะครับแต่มันเบี่ยงมาคนละด้านกับที่เรากำหนดไว้ในแผนที่ฉบับนั้นไอแนวดำลิบลิลที่ปกคลุมด้วยเมฆนั่นคือเขตด้านใดด้านหนึ่งของนรกดำแน่นอนผมคิดว่าถ้าเราตัดเป็นเส้นดิ่งไปเราจะเข้าสู่เขตนรกดาได้ใกล้กว่าเส้นทางเดิมของมังมหารทานะอีก แล้พบรอยของแงซ า, ายหรือไอ้พวกผีก้องกอยบ้างหรือยังชยันถามยังหาไม่เจอเลยครับพบแต่ด่านสัตย่อมย่อมตัดอ้อมไหลไปทางด้านโน้นรู้สึกว่าจะเวียนลงไปสู่หุบเราเห็นจะต้องตัดสินใจเลือกเดินตามด่านนั้นก่อนอาจจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมดีกว่าบุกพงละครับทั้งหมด เคลื่อนต่อไปเดินตรวจตรากันไปเงียบๆโดยเส้นทางอันมองไม่เห็นอนาคตนอกจากฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตามวงการของสวรรค์ทั้งดาน ล, ลักษณะประหลาดเส้นนั้นทอดตัดสันเขาไปตามแนวยาวของทิวอันยาวเหยียดประเดี๋ยวไต่ขึ้นสูงประเดี๋ยวทอดลงต่ําบางขนาะก็ทอดวกเวียนไปตามหุบเหวโ ต, ตรวยภูมิประเทศมันแปลกตาไปกว่าทุกป่าที่ผ่านมาแล้ว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 มันคือต้นพริกขี้หนูตามเสียงร้องอุทานของพวกนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าพริกขี้หนูต้นนั้นใหญ่โตมโหฬารเกินความคาดหมายหรือน่าเชื่อมาได้ก่อนหรือออกผลในลักษณะเป็นหวีเหมือนกล้วยจองพรานจะมีความรู้สึกเช่นไรในขณะนั้นไม่มีใครทำนายได้เพราะเห็นเขามีอาการเงียบเงียบเป็นปกติเหมือนเดิมแต่สาหรับคณะนายจ้าพอเห็นเข้าก็ตัวเย็นเฉียบ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 ช่วยกันดูอีกต่อนึงพริกขี้หนูจริงๆด้วยสิกลินมันชัดเลยนักมานุษยวิทยาสาวร้องออกมาอย่างสุดอัศจรรย์ใจเงยหน้ามองทุกคนตื่นตื่นน่าจะเรียกว่าพริกขี้ช้างจะเหมาะกว่าพาะพาเถอะใครจะรับรองได้ว่าถ้าเรากินเข้าไปแล้วจะไม่งอกไปอีกบินได้ขึ้นมาชัยยันว่าเชษฐามีสีหน้าปั้นยากที่สุด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 คุณเคยเห็นต้นพริกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไหมชั ย, ยันหันไปทางจอมพรานรพินโครงศรีรษะแช่มช้าหน้าตายอยู่เช่นนั้นตอบสั้นๆไม่เคยครับไอ้ต้นพริกขี้หนูนี่มันแทบจะทำให้พวกเราช็อกทีเดียวแหละมันเป็นเครื่องยืนยันให้เราต้องยอมเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่แง่ายเคยเล่าให้ฟังไว้ก่อนและเป็นเครื่องบอกใบ้อนาคตของเราว่ามันจะทวีความร้ายกาจ น่ากลัวเพิ่มขึ้นอีกเพียงไหนผู้กองอี่ผมว่าพวกเราหลงเข้ามาในแดนหิมะพานเช่นแล้วละ่ะคำพูดของอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้มีความสนุกขนองอยู่เป็นนิดแม้จะมีอารมณ์ขันเจืออยู่ตามลิสใสของเขาก็ตามแต่ทุกคนก็รู้สึกใจแป้วลงไปถนัดถูกแล้วต่างมีความสำนึกเช่นเดียวกับช ย, ยันกล่าวแม้แต่รพินไพรวันเองเว้นไวแต่เขาจะไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ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 พร้อมกระชูให้คณะนายจ้างดูพริกเม็ดนั้นมีรอยถูกจังอยปากหรือมิฉะนั้นก็ฟันของสัตว์บางชนิดแพ้เชษฐารับไปดูชัยยันก็อดตลกไม่ได้พยาขุดละมัง้งหรือว่าพวกนางกิ น, นรีประเภทนางมโนราพวกคนพันวิทยาธรเออผมว่ามองหายดีๆเถอะผู้กองอาจจะมีต้นมะกะรีผลขึ้นแถวนี้มังก็ได้นะเป็นยังไงต้นมะ ก, กีผล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 ก็จะพากันเหาะมาเฝ้าดักจองเก็บเอาไปบางทีก็ถึงับแย่งตีกันก็มีนะดารินเพื่อจะรู้ทันร้องอะไรลั่นนกคำานึงยกมือหงิกหงิให้ตะบุญคําอ้าปากหวอย่างสนใจเต็มที่ถามมาว่าเก็บเอาไปทำไมนายตหารอะโงจริงผู้หญิงสวยๆนะ่ะเขาเอะเบเก็บอาไปทำอะไรกันวะถามได้ปะโทตาพรานเท่ากระพริบตาปริบ บุญคำต้องหาต้นมะกรีผลให้พบสักต้นดิบุญคำจะเก็บลูกของมันมั่งเออลองช่วยกันดูให้ดีเถอะมันต้องมีแน่ๆเทียวชัยันบอกขึงขังเพื่อนสาวเหวี่ยงกำปั้นพลากลงมากลางหลังจนร้องแอร้องแหลมออกมาบ้าไม่รู้จักเวล่ำเวลาซะเลยชัยันนี่พวกเราฤประสาติงเครียดใครจะระเบิดออกมาล่ยังจะพูดเล่นอยู่อีกครซี่ บุญธรก็พลอยบ้าไปไอีกคนนึงตาพรานเท่าทำหน้าตื่นมองหน้าดารินและชัยยันผู้บุญอะไรพึมอยู่ในลำคอเพราะพิษกำปั้นอันหนักหน่วงสลับกันแล้วยิ้มแห้งๆแต่แล้วในทันทีนั้นก่อนที่ใครจะเอยออกมาอีกนั่นเองระพินไพรวันก็ลืมตาสว่างโพลงชันคอหูผึ่งและยกมือขึ้นโดยเร็วเป็นเครื่องหมายทุกคนสงบนิ่งเห็นลูกมกลีผลเขาให้แล้วเหรอผู้กอง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 มันเป็นเสียงกราวอูเหมือนกระแสลมแรงพัดผ่านใบไม้แห้งลั่นอื้อมาแต่ไกลและดูเหมือนจะเคลื่อนไกลเข้ามาทุกขณะมันดังเป็นช่วงช่วงขาดขา ด, ขาดหายหายยังไงพิกดแต่ว่าลมพัดก็ไม่ควรที่เพราะไม่มีวี่แววเลยอากาศขณะนั้นสงบนิ่งแม้แต่ใบไม้ก็ยังแทบไม่กระดิกมันหยุดและดังสลับกันอยู่เช่นนั้น อย่างแปรสจากจังหวดที่แน่นอนแต่ที่แน่ก็คือใกล้และค่อยๆจับเสียงได้ชัดเจนขึ้นเป็นลําดับต่อมาก็เป็นเสียงที่กิ่งไม้แห้งหักลัน่นหักลัน่นเสียงพุ่มพงหวกลูกขยินสางปาและบุญคําทงตัวนอนราบเอาพื้นกับพื้นเอาหูแนบดินฟังมันใกล้เข้ามาแล้วมันขึ้นมาจากขุบข้างล่างนายขยินอุทาน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 ไม่ใช่สัตว์เล็กตัวมันมีน้ำหนักสางตาได้ยินเสียงขอนไม้ใหญ่หักด้วยละไม่ทันจะขาดเสียงของเจ้าพรานต่องสู่ต่างก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้งๆผุ้งและลั่นกรอบกลาวพร้อมกับเสียงลมที่พล่นฟูโดยไม่ต้องนัดแนและกล่าวเตือนกันเลยไรเฟิ่อนถูกกระบอกถูกสะบัดจัไกลพร้อมกับเสียงขยับลูกเลื่อนขึ้นลำอาจจะเป็นมั ก, กระีผลของคุณก็ได้นะช ย, ยัน พระเจ้าช่วยเถิไปีนมันมากเหลือเกินมาเรียพูดออกมาเกือบไม่มีเสียงผ่านลำคอตัดรินใจเร็วสิระพินมันบ่ายหน้ามาทางเราแน่นะเชิท้าบอกอย่างกระสับกระส่ายพรานใหญ่กัดริมฝีปากแน่นเหลือวไปรอบตัวอย่างรวดเร็วแล้วชี้มือไปยังเนินผาฝั่งตรงข้ามของทางด่านซีกนึงสั่งการเป็นรถไฟด่วนทุกคนพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดตรงไปที่หินใหญ่เชิงผานด ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นทิ้งให้หมดนอกจากปืนประจำตัวเท่านั้นวิ่ง